บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปองค์ประกอบของชีวิตซึ่งทรงสรุปไว้ด้วยขันทั้งห้าประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นเมื่อสรุปย่ออีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นรูปกับนามส่วนที่เป็นรูป ก็คือส่วนที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทหข้างต้นคือด้วยตาหูจมูกลิ้นกายส่วนที่เป็นนามซึ่งจำแนกออกไปเป็นสี่ประการนั้นแท้จริงแล้วเวทนาก็คือจิตซึ่งทำหน้าที่เสวยอารมณ์สัญญาคือจิตที่ทำหน้าที่จาอารมณ์สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตและวิญญาณคือจิต ที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์หรือรับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสนั่นเองซึ่งการสรุปอีกแนวหนึ่งทั้งสรุปออกมาเป็นกายกับจิตคือรูปก็เป็นกายส่วนเบธนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกลุ่มของจิตในชั้นของการกําหนดพินิจพิจารณาตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั่นท่านให้พิจารณามาโดยลาดับ ถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันธ์ทั้งห้าประการแต่เมื่อพิจารณามาถึงจุดนี้แล้วบุคคลอาจจะเห็นไม่ประจักษ์ชัดด้วยใจหรือด้วยตาปัญญาของตนฉันก็สอนให้กำหนดแยกแยะยออกไปหเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งนามทั้งรูปนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากปัจจัยต่างๆทั้งที่เป็นนามธรรมาและทั้งที่เป็นรูปธรรม คือปัจจัยแห่งรูปนั้นได้แก่ส่วนที่เป็นนามคือวิชาตัญหาอุปาทานกรรมและส่วนที่เป็นรูปคืออาหารปัจจัยของนามก็ได้แก่เวทนาอวิชาตัญหาอุปาทานกรรมเช่นเดียวกันแล้วก็มีผัสสะซึ่งเป็นนามอีกประเภทหนึ่งข้ามาเ ป, เป็นปัจจัยให้เกิดนามเหล่านั้นขึ้นมาตั้งเวทนาสัญญาสังขารและิญญา และท่านได้ยังพิจารณาย่อยลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าบรรดานามทั้งสามข้อข้างต้นคือเวทนาสัญญาสังขารนั้นมีวิชาตันหาอุปาทานพัฏจะเป็นปัจจัยและในขณะเดียวกันก็อิงอาศัยรูปธรรมจากภายนอกที่ตาเห็นมาเป็นต้นส่วนบิญญา น, นั้นต้องอาศัยทั้งนามทั้งรูป อย่างที่แสดงไว้เป็นขั้นตอนว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปิญญาเพราะปิญญาปัญญาเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเป็นต้นการพิจารณาโดยวิธีนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเพ่งจิตลงไปดูในแต่ละจุดของอารมณ์ซึ่งยกขึ้นมาพิจารณาการเพ่งพินิษพิจารณานั้นเพ่งอยู่อย่างนั้นคิดตามอยู่อย่างนั้น บางครั้งบางคราวจิตก็ดือ้อดึงกลับออกมาไม่ยอมรับรู้ถึงปัจจัยแห่งนามรูปท่านก็สอนให้ดึงจับดึงจิตกลับไปเพ่งพินิษ์อยู่ในจุดนั้นจนสามารถเห็นได้ตามความเป็นจริงแห่งนามรูปแต่และอย่างซึ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกสลายไปตามเหตุปัจจัยอุปกรณ์ในการสอนนั้น บางครั้งบางคราวก็ทรงยกในส่วนที่เป็นวัตถุธรรมขึ้นมาให้ดูซิก่อนเช่นว่าความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกองทัพหรือเป็นอะไรต่างๆที่สมมติที่กําหนดหมายกันนั้นก็ให้บุคคลพยายามมองแล้วก็หาคําตอบว่าอะไรคือบ้านอะไรคือรถอะไรคือกองทัพอะไรคือคนเป็นต้นและจะเห็นได้ว่าความเป็นบ้านเป็นรถเป็นกองทัพเป็นคนนั้น แท้ที่จริงแล้วโดยสภาวะแล้วก็ไม่มีอยู่อย่างแท้จริงแต่เป็นเรื่องของการสมมตุติการบัญญัติเกินขึ้นเพราะการเกาะกลุ่มกันของเหตุปัจจัยเหล่านั้นเช่นความเป็นบ้านเกิดสมมุติบัญญัติขึ้นว่าบ้านได้ก็เพราะมีการประกอบกันของทพสัมภาระทั้งหลายที่นํามากอ่อสร้างกันแต่เมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็หาความเป็นบ้านไม่ได้ความเป็นกองทัพก็คือการสมมุติบัญญัติกันเช่นเดียวกัน คือการเอาคนเป็นจำนวนมากมาอยู่ในที่เดียวกันจัดแบ่งกันเป็นหมวดเป็นหมู่มีหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจของตนแล้วก็สมมติเรียกบัญญัติกันว่าเป็นกองทัพเป็นตน้นแท้ที่จริงกองทัพก็ประกอบด้วยปัจจัย ย, อย่อยๆคือคนและปัจจัยที่ให้เกิดกองทัพต่างๆอีกเป็นนั้นมากเพราะฉะนั้นกองทัพโดยภาวะที่แท้จริงๆไม่มีเช่นเดียวกับความไม่มีของบ้านของเรือนของรถของคนของสัตว์ของสิ่งของเป็นตน้น แต่ว่ามีอยู่ในขั้นของการสมมติพระพุทธศาสนานั้นสอนความจริงทั้งสองชั้นคือชั้นสมมติและชั้นของปรมัติตชั้นสมมติเป็นชั้นที่บุคคลจะต้องรายอมรับความจริงตามที่สมมติบัญญัติกันแม้พระพุ้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยโลกุุตระจิตแต่ว่าเวลาเกี่ยวข้องกับสังคมโลกพระองค์ก็ใช้ภาษาธรรมดา ด้วยโวหารทางธรรมะเรียกว่ากามาวจรจิตคือก็ใช้จิตแบบสามั ญ, ญชนทั่ ว, วไปเพราะธทำมาอย่างนั้นแล้วก็พูดจาปราศัยกันไม่รู้เรื่องการเจริญชั้นของวิปัสสนาจึงเป็นการเรียนรู้สมมติบัญญัติเข้าไปหาแก่นแท้ของความจริงที่เรียกว่าปรมาาัตร์สัจจะเพื่อจะสามารถปล่อยวางความยึดติด ในอารมณ์ต่างๆลงไปได้ถ้าหากว่าบุคคลเกิดความรู้ความเห็นปัจจัยแห่งนามรูปตามความเป็นจริงที่กล่าวแล้วความเคลือบแครงสงสัยซึ่งเกิดขึ้นโดยปกติในชีวิตของคนข้อนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของคนมักจะมีคำว่าอะไรไปไปไหนอย่างไรเป็นต้น เครื่องหมายคำถามเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่เกี่ยวกับชีวิตบุคคลก็มีความเคลือบแพลงมีความสงสัยและมีเครื่องหมายคำถามที่ติดตามกันอยู่ตลอดเครื่องหมายคำถามที่มีนั้นมีได้ทั้งในส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นปัจจุบันและส่วนที่เป็นอนาคตในกรณีของความมีอยู่แห่งชีวิตนั้น เครื่องหมายคำถามที่ปรารฏในอดีตท่านจำแนกเอาไว้เป็นห้าอย่างด้วยกันคือเราเคยเกิดมาแล้วในอดีตหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดมาแล้วในอดีตในอดีตเราเกิดเป็นอะไรและเป็นอยู่อย่างไรต่อจากนั้นเราเป็นอะไรจะมีเครื่องหมายคำถาม ท, ามที่สืบต่อกันไปแล้วก็ถามกันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้คนบางพวกจึงพูดกันว่าเป็นปัญหาโลกแตกท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในชั้นของยานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมาธิบุคคลก็ไม่มีจึงไม่สามารถรู้ความจริงแห่งเรื่องเหล่านั้นได้ในชั้นที่จะอาศัยศรัทธาปลูกฝังลงไปโดยยึดหลักตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อการศัสรูของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าทรงสัสรู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้และทรงแสดงเอาไว้ก็มีลักษณะไม่มั่นคงคือแกวงไปแกวงมาตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในภายนอกบางครั้งก็เชื่อดีแต่เมื่อได้ยินอีกอย่างหนึ่งก็น้อมตามไปคล้อยตามไปก็เกิดความสับสนขึ้นในชีวิตในชั้นของการศึกษาแบบเหตุปัจจัยตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่ได้กาหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษา ความสงสัยในเรื่องนี้ก็มีอยู่จากนั้นดังนั้นในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าการพินิษพิจารณาถึงชีวิตในอดีตไม่ว่าจะด้วยคำถามอย่างไรก็ตามจะไม่มองในรูปที่พูดกันด้วยภาษาธรรมดาแต่จะมองในรูปของเหตุของปัจจัยต่างๆที่เข้ามาประกอบกันเหมือนการพูดถึงมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ที่บุคคลอาจจะตั้งคําถามขึ้นมาว่ า, มาเมล็ดพืชนี้มีพืชพันมาในอดีตหรือไม่เราก็ตอบได้ว่าต้องมีพืชพันมาในอดีตเพราะถ้าไม่มีพืชพันมาในอดีตแล้วมเมล็ดพืชเหล่านี้จะมีขึ้นมาไม่ได้เหตุในอดีตนั้นจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มมาอย่างไรนั้นเป็นนวิชาสําหรับสิ่งทั้งหลายแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดมาจากเหตุอย่างคําถามที่ถามบนกันไป เรื่องไก่กับไข่หรือไข่ไ ก, ไ ก, กับไข่กับไก่นั่นเองในที่สุดก็หาคําตอบไม่ได้ว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังก็ถามกันไปโดยลาดับเพราะฉะนั้นในจุดสุดท้ายจึงตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปบอกว่าเป็นอวิชชาคือสื่อไปก็เจอวิชาสื่อไปอีกก็เจอวิชาอีกก็หยุดเจตที่อวิชาชาเฉยแล้วเมื่อทําลายที่อวิชชาได้ก็ชื่อว่าทําลายความไม่รู้ทั้งปวงลงไปได้ ในชั้นของการพิจารณาตามเหตุปัจจัยแห่งนามรูปโดยอุปมาของมเมล็ดพืชที่กราบแล้วนั้นบุคคลจะมองเห็นในแง่ของเหตุปัจจัยว่ามเมล็ดพืชนี้จะงอกอีกหรือไม่นั้นจะไม่พูดคลุมคลุมลงไปแต่จะพูดกันเฉพา ะ, มะเมล็ดไปได้เพรา ะ, มะเมล็ดพืชแต่ล ะ, มะเลมะเล็ดเมล็ดนั้นมีองค์ประกอบหลักอยู่สามองค์ประกอบด้วยกันคือองค์ประกอบที่เป็นภายใน ได้แก่เชื้อคือหน่อของมเมล็ดพืชได้ยางเหนียวที่มีอยู่ในมเมล็ดพืชองค์ประกอบภายนอกคืออุณหภูมิที่เหมาะสมอํานวยให้มเมล็ดพืชงอกได้มเมล็ดพืชนั้นก็งอกได้แต่ถ้าหากว่าปัจจัยทั้งสมประการนี้บกพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งมเมล็ดพืชนั้นก็งอกไม่ได้ชีวิตของบุคคลเราในอดีตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลจะมองเห็นในแง่ของเหตุปัจจัย ถ้าหากว่ายังมีอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอยู่แล้วการอุบัติบังเกิดในอดีตก็ต้องมีอยู่และสามารถเชื่อมโยงมาได้ถึงปัจจุบันบัดนี้จึงเป็นการแสดงเห็นว่าเหตุปัจจัยที่ท่านกล่าวเอาไว้ทั้งสี่ประการนั้นไม่ได้ถูกทำลายเมื่อไม่ได้ถูกถูกทำลายการเกิดก็ต้องย้อนไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่กำหนดลงไปต า, ตายตัวว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่การเกิดก็ต้องมีอยู่จาบนั้นเมื่อในขณะที่ดำรงอยู่ถ้าหากก็มีผัสสะมีอาหารอยู่ชีวิตก็ดำรงอยู่ตลอดไปได้พร้อมด้วยปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการมองเห็นในแง่ของเหตุปัจจัยเช่นนี้โดยจุดเุ่งหมายปลายทางนั้นก็คือการสงบระงับดับเหตุปัจจัยแห่งสังสารวัฏคือตัววิชาตัญหาอุปาทานกรรมลงไป เป็นการยุติความเกิดในสังสารวั ต, ตรลงไปได้แต่ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าการมองดูชีวิตมองดูขันทามองดูโลกในแง่ของเหตุปัจจัยนั้นจะทำให้บุคคลสามารถแสวงหาประโยชน์จากความรู้เหตุปัจจัยแห่งนา ม, มารูปได้ครนี้ึงเห็นตัวอย่างว่าปัจจัยที่ ท, ทรงจาแนกแสดงไวถึง5อย่างนั้น แท้จริงแล้วสรุปแล้วก็มีเพียงสามอย่างเท่านั้นคือกิเลสกรรมกับอาหารเป็นปัจจัยของรูปกิเลสกรรมผัสะเป็นปัจจัยของนามเพราะทั้งอวิชชาทั้งตัณหาทั้งอุปาทานนั้นเป็นกลุ่มของกิเลสกรรมก็คือกลุ่มของกรรมส่วนอาหารก็มีลักษณะทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วปัจจัยที่สืบพบสืบชาติกันมานั้นคือตัวกิเลสกับตัวกรรม ซึ่งทั้งกิเลสและกรรมนั้นบุคคลสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในขั้นที่ลดความเข้มข้นของกิเลสลงฉะนนบุคคลได้ศึกษากำหนดพิจารณาเห็นโทษของกิเลสยกตัวอย่างคือโทษของความไม่รู้ทําให้เกิดความสับสนในการดํารงชีวิตในการศึกษาในการปฏิบัติในการหลีกละเว้นทางเดินของชีวิตมีประการต่างๆ บุคคลเห็นโทษในจุดนี้ก็พยายามบรรเทาความไม่รู้ลงไปคือให้ไม่รู้น้อยลงน้อยลงโดยลาดับแต่ก็ให้ความรู้สูงขึ้นภายในจิตใ จ, จาขางตนความรู้ที่สูงขึ้นนั้นจะเป็นตัวชี้นำทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเจริญทางแห่งความสุขทางแห่งความทุกข์ทางแห่งประโยชน์และทางที่ไม่เป็นประโยชน์ให้บุคคลเหล่านั้นเมื่อปริมาณความรู้สูงขึ้น ก็สามารถที่จะหาอุบายอยิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาดำเนินในทางเจริญให้ได้เพราะว่าชีวิตของบุคคล น, นั้นถึงแม้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ทางเดินของชีวิตก็มีอยู่เพียงสองทางเท่านั้นเองคือทางเสื่อมและทางเจริญทางเสื่อมท่านเรียกว่าทุกขะติเรียกผู้เดินว่าทุกขโตคือไปไม่ดีไปชั่วทางดีก็เรียกว่าสุ ก, กติเรียกผู้เดินว่าสุกโต คือผู้ไปดีไปงามแล้วก็ไปง่ายทางเดินก็มีอยู่สองทางอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นทางเสื่อมทางจเจริญก็มักจะเดินไปในทางเสื่อมได้ง่ายๆเพราะวิชากรุ่มรุมจิตใจอยู่ค่าตํานองที่บุคคลเดินไปในทางหนทางที่มืดนั้นโอกาสที่จะตกหลุมตกบอ่อเหยียบถูกน้ําประสบอันตรายต่างๆมีสะดุดขอนไม้ก้อนหินเป็นต้นก็มีได้ง่าย ทีนี้เมื่อตัวความรู้ปรากฏขึ้นนั้นก็จะเล็งไปที่ อ, อวิชเล็งไปที่ตันหากับอุปาทานก็จะมองเห็นโทษของตันหาประจักษ์ขึ้นแก่จิตใจมองเห็นโทษของอุปาทานความยึดติดว่าเป็นพิษเป็นภยัยเป็นตัวเหนีย่ยรั้งชีวิตของตนไม่ให้ดําเนินไปในทางที่ถูกที่ควรก็จะมีการปฏิบัติขัดเกลืกระแสะแห่งตันหาปล่อยวางความยึดติด ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจลงไปบ้างอะไรที่ไม่ควรอยากก็ไม่อยากและสามารถควบคุมความอยากก็ไว้ได้แม้จะมีตันหาอยู่ภายในใจก็ไม่ถึงกับเป็นทาตของตันหาแต่จะเป็นนายแห่งของตันหาสามารถบังคับใช้ตันหาและหยุดกระแสของตันหาไว้ตามควรแก่ฐานะแก่โอกาสนั้ น, น, นความโปร่งเบาสบายก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน ในแง่ของอุปาทานก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเมื่อบุคคลมีความรู้ขึ้นมาจะเป็นในระดับใดก็ตามยิ่งมากยิ่งดีก็จะมองเห็นโทษของความยิตติดในรูปแบบของอุปาทานเป็นการแบกการหาผามสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วจิตเองก็จะข่อยคว้าเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด คอยคว้าความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวตนของเราแล้วก็ยึดติดสยบอยู่ในเรื่องเหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ไปคล้องไปติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วโอกาสที่จะก้าวเดินไปมันก็มีไม่ได้เหมือนกับยานพาหนะที่แล่นไปในกระแสน้ำหรือบนถนนถ้าหากว่าไปติดอยู่ก็จะงักงันในด้านการเดินคือเดินต่อไปไม่ได้ ชีวิตของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไปยึดไปติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมันก็จะสยบอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอย่างที่พระผู้มีพระภาคย้าทรงแสดงเอาไว้ว่ามัจจุราชผู้กระทาทึ่งที่สุดหมายถึงว่าตัวความตายซึ่งเป็นตัวทำลายชีวิตของบุคคลย่อมนำบุคคลผู้คลองผู้ติดในอารมณ์ทั้งหลาย มัวเพลิดเพลินเลือกเก็บดอกไม้ของมานอยู่ไปสู่อำนาจแห่งตนซึ่งหมายความว่าตราบใดที่จิตใจของบุคคลยังมีความคล้องความผูกพันอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีการกำหนดหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นว่าเป็นของเราว่ารูปของเราเสียงของเราเป็นตน้นจิตใจก็จะเพลิดเพลินเรองหลงอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น อย่างที่ทรงใช้คําว่ามัวเลือกเก็บดอกไม้แห่งมานซึ่งหมายความว่ามัวเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั่นเองชีวิตก็ผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันโดยลําดับในที่สุดก็เข้าไปสู่อํานาจของความตายตายโดยไม่ได้รู้แจ้งสาระของชีวิตตายโดยไม่ได้มีการสะเสี่ยมเสะเบียงคือกุศลเอาไว้ตายโดยไม่สามารถบรรเทาเชื้อของชีวิต ทั้งอวิชชาทั้งตัณหาทั้งอุปาทานให้เบาบางลงไปการเกิดในภพชาติต่อไปของบุคคลเหล่านั้นก็มีแต่จะตกตามลงไปเพราะความเข้มข้นของฝ่ายกิเลสและบาปอากุศลที่บุคคลเหล่านั้นสะสมเอาไว้กระทําลงไปด้วยอํานาจของอวิชชาเกือกความไม่รู้และด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นเองบุคคลจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งว่าสามารถสัมผัส ความเป็นในฐานะต่างๆโดยขณะจิตแห่งตนเช่นมองเห็นโทษของวิชาตาณาอุปาทานกรรมได้แล้วกรรมใดที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนทั้งด้านกายกรรมคือทาลงไปทางกายด้านวาจีกรรมคือพูดออกไปทางวาจาและด้านมนโนกรรมคือนำเรื่องเหล่านั้นมาจึกนึกก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเพราะมารู้แจ้งเห็นจริง ในกรรมบางอย่างที่มีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนและในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจที่เป็นกุศลให้บังเกิดขึ้นความเป็นในฐานะต่างๆซึ่งท่านจำแนกไว้โดยความเป็นแห่งขณะจิตเช่นความเป็นเปรตความเป็นสัตว์นรกความเป็นนสุรกายความเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรหมด้วยขณะจิตนั้นมก็เป็นด้วยแรงของกิเลส และเป็นด้วยแรงของกรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแต่ละขณะแต่ละขณะนั่นเองเช่นยามใดที่จิตใจหิวโหยกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายสแสดงว่าสภาพจิตในขณะนั้นก็ตกอยู่ในภาวะของความเป็นเปรตมีความหิวมีความกระหายไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งท่านพูดโดยอุปมาที่เป็นรูปที่ซึ่งท่านพูดโดยเชิงรูปธรรมว่ามีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็ม ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่จะอิ่มนั้นไม่มีใจที่ตกอยู่ภายใต้กระแสของตันหาถูกความกระสันอยากบังเกิดขึ้นครอบงาใจก็มีลักษณะอย่างนั้นความรู้จักอิ่มรู้จักเต็มไม่มีแต่เมื่อมีวิชาคือความรู้ขึ้นมาในระดับที่พอใช้งานได้ก็จะบรรเทากระแสของตันหานั้นลงไปได้หยุดภาวะของจิตที่ตกอยู่ในสภาพเปรดลงไปได้ หรือบางครั้งถูกจิตใจจิตใจถูกกิเลสสายโทสะเป็นต้นแผดเผาไว้ร่วร้อนกระวนกระวายไปด้วยประการต่างๆในขณะนั้นก็จิตก็ตกนรกไปแต่พระวิชาความรู้ในระดับที่ใช้งานได้ก็ดึงจิตมาจากอารมณ์หลดนั้นได้ริยามใดที่จิตใจหลอกหลอนแม้แต่ตัวเองปรารถนาสแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบทมเพียงแต่บางเกิดขึ้นภายในจิต ก็มีความเร่าร้อนสับสนมันเกิดขึ้นแล้วด้วยวิชาที่มีอยู่นั้นเองก็จะวิเคราะห์จิตในขณะนั้นและดึงจิตกลับมาจากอารมณ์ต่างๆแตในขณะเดียวกันด้วยอาศัยวิชาที่มีอยู่นั้นบรรเทาตัณหาอุปาทานซึ่งเกิดขึ้นครอบงำใจให้เบาบางลงไปปรับใจให้มีจุดยึดเหนี่ยวอยู่ที่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นว่าให้ประกอบด้วยหลักของสมาธิฏฐิ คือปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็มีความเห็นชอบตามนั้นมีความดำริชอบไปตามนั้นในขณะนั้นอาการทางกายก็จะไม่ประพฤติผิดต่อร่างกายต่อประเวณีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นทางวาจาก็จะพูดมาในทางที่เป็นคำสั์คำจริงคำไปร้ออ่อนหวานคำสมานสามาคัคคีในคาที่มีประโยชน์ในด้านความนึกคิดใจิตใจแม้จะมีความโลภอยู่ แต่ก็ไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแม้จะมีความโกรธความพยาบามอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับอาฆาตพยาบามปองร้ายบุคคลอื่นเพราะความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิสภาพจิตเช่นนี้ก็ทําให้บุคคลเข้าถึงความเป็นมนุษย์ทั้งโดยร่างกายและจิตใจซึ่งจะเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์โดยธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันปัจจัยมีอยู่ทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอก ถ้าหากว่าตัววิชาความรู้มีปริมาณสูงขึ้นมองเห็นโทษของตัณหาอุปาทานและโทษของวิชาตลอดถึงโทษของบาปประกรรต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นบุคคลก็จะปรับจิตของตัวขึ้นไปอยู่ในหลักของฮิริโอตตะปะเป็นตัวคุ้มครองจัดคุ้มครองใจกันตนไว้อกุศลุอันใดที่ยังไม่เกิดมีค่า ว, ว่าจะเกิดขึ้นก็ปิดกั้นกระแสของอกุศลเหล่านั้นไว้ด้วยฮิริ อาศัยพื้นจิตที่ประกอบด้วยโอตตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อผลแห่งบาปที่ตนจะพึงได้รับในปัจจุบันและภาย ภ, า, ยภ า, ยาคหน้าจะเป็นตัวค้ำยันจิตใจของบุคคลเอาไว้แม่รู้อำนาจแกอารมณ์ไปประกอบกระทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจจิตที่ได้รับการคุ้มครองไว้ด้วยหิริและโอตตปะอย่างนี้จะเป็นช่วงนานเท่าไรก็ตาม ในขณะนั้นถือว่าจิตเข้าถึงภาวะของเทวดาคือเป็นเทวดาโดยธรรมและการที่จิตเข้าไปยึดถือเอาธรรมะเป็นสนะเป็นที่พึ่ง <c oughs> ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ในฐานะอะไรก็พยายามสํารวมระวังรักษาศีลของตนตามฐานะนั้ น, น, น พยายามศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเหตุผลหลักธรรมทางศาสนาประกอบด้วยความเสียสละทั้งในเชิงรูปธรรมคือรูปวัตถุเสียสละอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจเสียสละกิเลสซึ่งบางเกิดขึ้นครอบงำใจโดยอาศัยปัญญาเป็นหลักกำหนดพิพนิษพิจารณาวิเคราะห์ตัดสินอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นเทวโดยธรรมเช่นเดียวกัน หรือถ้ากะหากว่าสร้างเหตุปัจจัยที่สูงขึ้นไปกว่านั้นด้วยอาศัยวิชาความรู้ดังที่กล่าวแล้วบุคคลจะมองเห็นคุณค่าของธรรมะคือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ี่ประการมีเมตตากรุณาอุเบกขาและเห็นโทษของอากติทั้งสประการคือความลำเอียงเพราะรักใคร่กันที่เรียกว่าฉันทากติลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกว่าโทสาติลำเอียงเพราะกลัวเรียกว่าพยาติและลำเอียงเพราะหลงเรียกว่าโมห oh าะติ เมื่อจิตใจอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นพรหมเกิดขึ้นในขณะนั้นบุคคลก็สามารถเป็นพรหมด้วยชีวิตร่างกายนี้เองและถ้าหากว่าให้ความเป็นพรหมมั่นคงอยู่ภายในจิตใจ <c oughs> ก็ด้วยอาศัยหลักการปฏิบัติตามแนวของสมถกรรมฐานที่ว่ามาแล้วโดยดําดับเมื่อสามารถสัมผัสอ ง, งชานได้ ความเป็นพรหมภายในจิตของบุคคลนั้นก็<ค>จะยั่งยืนถาวรสาบเท่าที่ชาญเหล่านั้นยังมีอยู่และไม่เสื่อมไปนั้งเป็นการแสดงเห็นว่าความเป็นนามก็ดีความเป็นรูปก็ดีนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยความเป็นในฐานะต่างๆในชีวิตของบุคคลนั้นเหตุปัจจัยทั้งมวลเป็นเรื่องที่บุคคลสร้างขึ้นเองทั้งด้านบวกและด้านลบเมื่อบุคคลปรารถนาความจเจริญแก่จิตใจของตน อย่างน้อยที่สุดในการดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขตกแต่งพบชาติในสัมปราญภพบเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยของการสงบสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาจึงสามารถใช้วิชาความรู้โดยการสลายอาวิชาให้เบาบางลงไปและวิชาตัวนั้นเอง ก็จะเป็นประทีตสองทางชีวิตให้การดำเนินชีวิตของบุคคลเลือกเฟ้นเหตุปัจจัยแห่งการดำรงชีวิตก็สามารถสัมผัสความสุขได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบส่อต่อไป